มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนดกะปัญหานวมะวักอนุมานปัญหาที่แปดก่อนเข้าสู่อนุมานปัญหาที่8ดมีเชิงอธว่าคัมภีร์มิลินทปัญหานี้ ตอนอารัมพะกาถาแบ่งปัญหาไว้เป็นประเภทใหญ่ห้าประเภทคือประเภทที่หนึ่งมิลินทะปัญหาประเภทที่สองเมนดากะปัญหาประเภทที่สามอนุมาณปัญหาประเภทที่สีลักขณะปัญหาประเภทที่หอุปมากถาปัญหากต่มาในตอนที่แบ่งปัญหาประเภทใหญ่ออกเป็นวรกเป็นเรื่องประเภทที่สที่สหายไป ชื่ออนุมานปัญหายัางปรากฏอยู่แต่เอาบวกเข้าเป็นเรื่องที่8ในวรรคที่9ของเมนเดกะปัญหาสังเกตดูรูปความเห็นว่าเป็นอนุมานปัญหาประเภทใหญ่นั่นเองแต่หากไม่ได้แบ่งเป็นวรรคเป็นเรื่องผู้รวมเรื่องในชั้นเดิมจึงจัดเอาเป็นปัญหาหนึ่งรวมเข้าเสียในเมนเดกะปัญหาที่ถูกคงเป็นปัญหาประเภทใหญ่ที่สามนั่นเองจึงแยกออกพิมพ์เป็นประเภทหนึ่งต่างหาก คงแต่คำว่าวักและเรียงจำนวนเลขไว้ตามบาลีบอกไว้สำหรับพิจารณาเท่านั้นส่วนปัญหาประเภทใหญ่ที่4ี่คือลักษณะปัญหานั้นหายสูญชื่อไปทีเดียวแต่เมื่อตรวจดูรูปความเห็นว่าทุดงค่าปัญหาเรื่องที่9ต่อจากอนุมานปัญหานี้และเป็นลักษณะปัญหาเพราะกล่าวถึงลักษณะต่างๆมากแต่เนื้อเรื่องกล่าวด้วยทุดง ผู้ให้ชื่อจึงเขียนลงไว้ว่าทุกดงคะปัญหาได้พิมพ์แยกไว้เป็นแผนกหนึ่งเหมือนกันจะผิดถูกอย่างไรแล้วแต่นักปรารจะวินิจฉัยจบเชิงอัดอนุมานปัญหาที่แเรื่องถามว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือ ใครเป็นผู้ได้เห็นพระองค์อธาโขในการนั้นแท้จริงโซมิลินโทราชาอันว่าสมเด็จพระเจ้ามิลินปินกษัตริย์มีพระราชองค์การตรัสปรสาสัยถ้อยคำเป็นสารานิยะคถากับด้วยพระหน้าเคษน์ผู้จอมปราดแล้วมีพระหฤทัยใครจะทรงทราบสิ่งที่ยังไม่ทรงทราบและเพื่อทรงจำไว้กระทำให้แจ้งเห็นแสงสว่างแห่งยาน ทำลายอาวิชชายังปัญญาให้เกิดขึ้นก้าวล่วงกระแสะแห่งสงสารและตัดกระแสะแห่งตันหาดื่มซึ่งน้ำอมฤตรสคือพระนิพพานจึงทรงตั้งพระฉันทาอัธยาศัยและพระวายามะปัญญาอุตสาหะตั้งสติสั ป, ปชัญญะให้มั่นคงเป็นอันดีแล้วตรัสถามพระนาคเสนต่อไปว่าพันเตนาคเสณนะ ข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาพุทธโธอันว่าองค์สมเด็จพระพุทธเจ้านั้นไตรยทิถโธอันผู้เป็นเจ้าได้เห็นมหรือประการใดพระนาคเสนวิสัชนาว่ามหาราชดูรานะบอพิษพระราชสมภารอัตมาจะได้ทัศนาการเห็นหาไม่ได้สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิปดีมีพระราชองค์การตรัสว่า พันเตนาคเสนาะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาพุทธโธอันว่าสมเด็จพระพุทธสัพพันยูผู้เป็นเจ้าไม่เห็นก็อาจารย์ของพระผู้เป็นเจ้าเห็นหรือไม่เล่าพระนาคเสนมีเถระวาจาว่ามหาราชดุราณะบพิษพระราชสมภารอาจารย์ของอัตมาก็ไม่ได้เห็น พระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาโยมคิดว่าตัวผู้เป็นเจ้าไม่เห็นอาจารย์ของพระผู้เป็นเจ้าจะเห็นนี่อาจารย์ก็หาเห็นไม่ถ้าเช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีเพราะไม่มีใครเห็นปรากฏจะมีอย่างไรได้ พระนาคเสนจึงมีเถระวาจาถามว่ามหาราชาขอถวายพระพรพระมหากษัตริย์ที่เป็นต้นพระวงศ์ของพระองค์มีอยู่หรือมหาบพิษพระราชสมภารพระเจ้ามิลินจึงมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสณถ้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาพระผู้เป็นเจ้าสงสัยอะไรพระมหากษัตริย์ที่เป็นต้นพระวงศ์ของโยมนี้ มีสิพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเสนจึงมีเถระวาจาถามว่ามหาราชาขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภากรกษัตริย์ที่เป็นต้นพระวงของมหาบาพิษนั้นมหาบาพิษได้เห็นมือสมเด็จพระเจ้าเมลินภูมิินทราธิปดีมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสนาะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชา พระมาหากษัตริย์ที่เป็นต้นพระวงของโยมโยมไม่เห็นพระนาคเษนมีเทระวาจาว่ามหาราชะขอถวายพระพรปุโรหิตผู้เท่าเสนาบดีผู้เท่าได้เห็นมือหรือว่าหามิได้ประการใดสมเด็จพระเจ้ามิลินปินกษัตริย์ว่าหามิได้พระนาคเษนจึงมีเทระวาจาวา่ามหาราชา ขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภารอัตมานี้มาใส่ใจว่ากษัตริย์ที่เป็นต้นพระวงศนั้นมหาบาพิษไม่เห็นกับพระเนตรของมหาบาพิษเสนาบดีและปุรูหิตผู้เท่าท่านเจเห็นบ้างนี่ก็หาเห็นไม่เออจะเอาอะไรเป็นที่อ้างเหล่านี่กษัตริย์ที่เป็นต้นพระวงศก็เปล่าไปไม่มีนั่นสิบอพิษพระราชสมภาร สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชากษัตริย์ที่เป็นต้นพระวง์มีถึงห้าพระองค์แม้ดับศูนย์ไปแล้วก็จริงแลแต่ทว่าเครื่องราช ก, กรกุฏพันยังมีเป็นที่อ้างอีกหลายสิ่งหลายอันเสยยะถีทางคือสิ่งอะไรบ้าง เซตะชัดตังคือสเสวตฉชัดหนึ่งอุณหิตสังคือพระมงกุฎหนึ่งวาละวิชนีคือพัดวาละวิชนีหนึ่งมหารหานิสายนานิคือพระแท่นที่บันทมมีราคามาาคลามครันหนึ่งขักคันจะคือพระขันแก้วหนึ่งนี่แหละโยมเห็นเครื่องสรงเข้าแล้วก็รู้ว่ากษัตริย์ที่เป็นต้นพระวงมี เพราะของต่างๆนั้นเป็นพยานพระนาคเสนจึงมีเถระวาจาถามว่ามหาราชะขอถวายพระพรซึ่งพระองค์สมเด็จพระศรีสุคตทศพลยา น, นั้นอัตมาก็ไม่เห็นอาจารย์ของอัตมาก็ไม่เห็นแต่อัตมาเห็นเครื่องทรงที่สมเด็จพระพุทธองค์เจ้าประดิษฐานไว้ยังมีอยู่สาวกทั้งปวงผู้รู้ผู้เห็น ได้รับประทานต่อต่ อ, ตอมาเสยยถีทางคือสิ่งไรบ้างจะตาโรสติปทานาคือพระสติปฐานทั้งสี่จตาโรสัมมปทานาคือพระสัมมปทานสี่จะตาโรอิทธิบาทาคือพระอิทธิบาทสี่ปัญจินทริยานิคืออินทรีห้าปัญจะพละนิคือพละห้า สตะโพชังคาคือพระโพชงเจ็ดอัทถังคิโกมัคโคคือพระอัทถังคีกมัรแปดประการอันอุดมอัตมาก็ประนมมืออภิวาดไหว้ด้วยน้ำใจเชื่อแท้ด้วยเห็นธรรมประจักษ์แก่ตาก็อนุมาณด้วยปัญญาว่าอัธิโสภควาสมเด็จพระศาสดาผู้ทรงพระภาคเป็นอันงามนี้มีจริงขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชามีสุนทรราชองค์การดํารัสตรัสว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาอุปมังกรโหหิพระผู้เป็นเจ้าจงกระทําซึ่งอุปมาอุปไมให้แจ้งก่อนเรื่องวิสัชนาโดยชักอุปมาอุปไมเรื่องโลกียนครกับธรรมนครพิสดารมากมาย โดยอนุมานปัญญาพระนากเกษเถวายพระพรนว่ามหาราชาดูกะระบอพิษพระราชสมภารเปรียบปานดังนคระวัตกีนายช่างพระนครผู้หนึ่งปรารถนาจะสร้างพระนครจึงพิจารณาดูซึ่งที่ชัยภูมิแห่งหนึ่งซึ่งเสมอเป็นอันดีจะได้มีก้อนกรวดและแผ่นศิลาหามิได้ เป็นภูมิภาคหน้าร่มรื่นชื่นบานปราศจากอันตรายและโทษซึ่งจะเกิดขึ้นทางใจปัสสิตวาครั้นพิจารณาดูซึ่งสิ่งทั้งปวงนั้นแล้ววิสมังสมังการาเปตวาจึงช้าให้คนทั้งหลายทำที่ที่ไม่เสมอให้เสมอให้ชำระซึ่งหลักตอไม้นาำแล้วจึงสร้างเมืองงามควรจะทัศนาการเล็งแลดูในที่นั้น วิพัตชิตังเมือง น, นั้นอันนายช่างจำแนกดีแล้วโอกิ น, นะปริขังรอบนอกมีคูกัน้นปาการะทันหังในคูกำแพงมีหอรบเชิงเทินอันมั่นคงจะตุกกันณะสันทิมีที่ต่อตามมุมกำแพงทั้งสี่มีถนนสี่แจงถนนสามแจงและถนนหลวง ร้านตลาดทั้งปวงและสวนหลวงอุทยานสำราญใจสะน้อยสะใหญ่สะโบกคารณีและท่าน้ำแล้วจึงกระทาเป็นนิเวศวังในประกอบไปด้วยราชเรือนหลวงปราสาทราชมนเทียนทั้งปวงทั้งคลังและฉางต่างๆสร้างเป็นมเรือนกระทาด้วยยญ้าไว้ให้คนอาศัยตังนักขรังพระนคร น, นั้นไซนิราชทุก แสนสุขสบายหาอันตรายไม่ได้ประกอบด้วยสุขสโมสรโสวัธกีในช่างนั้นครั้นสร้างนาครลงแล้วหาอยู่ไม่อันยังประเทสังคัดไช ย, ยะก็ไปสู่ประเทศที่อื่นตามปรารถนาอปเรณนะสมยเมยนะโดยสมัยอื่นตั้งนครังอันว่าพระนคร น, นั้นสุภิกขังข้าวถูกลูกไม้มีผล สารพัดอาหารเลี้ยงชนมีทุกสิ่งสุเขมังเป็นเมืองยิ่งเกษมสารสุสะมิทังสิวังมั่งคั่งเย็นสำราญแสนสบายอานีติกังนิรุปัตถวังมิได้ปราศจากระเบียบกฎหมายและหาอุปัตถวันตรายมิได้นานาชนะสมากุลังอากูลมูลไปด้วยไพร่ฟ้าประชานิกรอยู่อื้ออึงคือกษัตร และพราหมณ์และพ่อค้าชาวนาและพ่อครัวนายช้างนายม้านายรถบุตรจรเดินเท้าและนายขมังธนูหมูบันดอและกระเทยและลูกหลวงลูกอมาต ร, ราชเสนาและทหารโยธาสมควรจะวิ่งเต้นเข็นข้ามหมูอรินทั้งหลายให้พี่นาฏอันหนึ่งประกอบด้วยบุทธทาสบุตรคลมั่งมี และบุตรคลปล้ำคนมวยต่างๆมีทั้งช่างถมช่างประสะช่างเขียนทุกสิ่งสันช่างกระทำจุนจันช่างทองคําช่างเงินช่างดีบุกช่างทองแดงทองเหลืองช่างแก้วช่างเจียระไนช่างไม้ช่างหม้อช่างทอช่างปั้นช่างเกลียวช่างพระขันช่างทำดาบหอกน้อยหอกใหญ่ช่างไม้ ช่างกระบีช่างประดับประดาช่างทำดินทำทรายช่างครามช่างครั่งช่างปิ้งมังสังช่างทำสำรับกับข้าวสารพัดจะมีทุกสิ่งไปสิ่งไรที่จะไม่มีในพระนคร น, นั้นเป็นว่าหาไม่ได้ประกอบไปด้วยตลาดพิสารโรงร้านเรียงรายฝูงมนุษย์นิกรหญิงชายผู้ใดเที่ยวไปได้เห็นพระนคร อ, อันเป็นสุขสนุกสำราญดังนั้น ก็ชมด้วยอนุมานปัญญาว่าช่างผู้นี้ฉลาดนักหนามาสร้างพระนครไว้ยะถามีครุวนาอุปมาฉันใดมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารโสภควาอันว่าสมเด็จพระาศาสดาจารย์ผู้ทรงพระภาคนั้นอสมะสโมบุคคลผู้ใดจะเปรียบเสมอพระองค์หาไม่ได้ ทรงพระพุทธคุณและพระบารมีคุณจะนับไม่ได้อนันตะเตโชมีเดชจะนับไม่ได้อานันตะพโลมีพระกำลังจะนับไม่ได้ทรงไว้ซึ่งพระพุทธผลบารมีกิริยาอันถึงที่สุดจะนับไม่ได้อานันตะวิริโยมีเพียนจะนับไม่ได้อานันตะพละมารังมีหาริตวา พระองค์มากาจัดเสียซึ่งมารอันจะนับไม่ได้ยังมารกับเสนาให้อัปปราชัยพระองค์มาทำลายเสียซึ่งคายคือทิฏฐิให้กระจัดกระจายทำลายเสียซึ่งอวิชชาและกาฏตันหาอันค่องอยู่ยังวิชชาให้บังเกิดแล้วส่งไว้ซึ่งพระธรรมจักรอันประเสรศิฐสำเร็จแก่พระสัพพัญยุตยานวิชิตะสังคาโม มีสงครามกับมารอัญชนะแล้วธรรมนครังมาเปสิพระองค์ก็มาตกแต่งธรรมนครสร้างธรรมนครลงไว้เหมือนในช่างสร้างนครขึ้นไว้ในการนั้นพระขวัโตโขมหาราชธรรมนครังขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอันวัตธรรมนครของสมเด็จพระพุทธองค์เจ้า ผู้ทรงพระภาคเป็นอันงามนั้นศีละปาการังมีศีลเป็นกำแพงหิริปริขังมีละอายบาปเป็นครูสติโทวาริกังมีสติเป็นนายประตูยานะทวารกฏทกังมีพระยานเป็นซุ้มประตูวิริยะอัตตารกังมีเพียรเป็นหอรบศรัทธาอีสกัง มีศรัทธาเป็นยอดประสาทปัญญาปาสาทังมีปัญญาเป็นตัวประสาทสุดตันตะปัจจรังมีพระสุดตันตะปีดกเป็นถนนหลวงอภิธรรมสิงคาตะกังมีพระอภิธรรมเป็นตะแลงแกงถนนสามแจงวินยะวินิชยังมีพระวินัยเป็นมรองราชวินิชัยสติปัทานาวีธิกัง มีพระสติปัฏฐานเป็นถนนใหญ่อันสำราญมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารลำดับถนนมีร้านตลาดต่างๆเสยยถีถังคือสิ่งอะไรบ้างปุภาปนังคือร้านตลาดดอกไม้คันทาปนังร้านตลาดของหอมพลาปนังร้านตลาดผลไม้อคทาปนัง ร้านตลาดยาดับพิษงูโอสถาปนังร้านตลาดยาต่างๆอมตาปนังร้านตลาดอมริตอันหวาน ร, รตนาปนังร้านขายแก้วสภาปนังร้านตลาดของเบ็ดตเตล็ดสารพัดมีสิริเป็นแปดตลาดด้วยกันขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสถามว่า พันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาปุบผา ป, ปนังอันว่าร้านตลาดตอกไม้นั้นประการใดเรื่องจะทำเปรียบด้วยร้านตลาดต่างในธรรมนครพระนาคเสนมิสชนาแก้ไขว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอันว่าร้านตลาดตอกไม้นั้นได้แก่อสุภสัญญา อันสมเด็จพระบรมโลกกาณศาสดาจารย์ผู้รู้ผู้เห็นเป็นองค์พระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าวางไว้ขายสัญญาทั้งหลายคืออนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญามารณสัญญาอสุภสัญญาอาทีนวสัญญาปหานะสัญญาวิราคะสัญญานิโรธสัญญา สภะโลเกอณะพิรตสัญญาสภาสังขารเรสุอนิจสัญญาอัติกะสัญญาปุลุวกะสัญญาวิณีลกะสัญญาวิชิตทกะสัญญาวิปุพภกะสัญญาอุทุมาตกะสัญญาวิขายิตกะสัญญาหัตรวิขิตกะสัญญาโลหิตกะสัญญาและพระเมตตาสัญญา การุณาสัญญามุทิตาสัญญาอุเบกขาสัญญาอานาปานาสติมารณ า, านุสติกายคตาสติมหาราชาขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอิมาสัญญาอนวสัญญาทั้งหลายนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเทศนาไว้ว่าเป็นตลาดขายดอกไม้โยคาวจรเจ้าทั้งหลายถือเอาสัญญาเป็นอารมณ์แล้ว จะพ้นจากราคาโทสะโมหะมานะทิฏฐิจะข้ามพ้นสงสารห้ามเสียซึ่งกระแสตัณหาจะตัดเสียซึ่งความสงสัยจะกำจัดเสียซึ่งกิเลสจะประเวทเข้าสู่พระนคร น, นิพพานนครรุตตมังเป็นพระนคร อ, อันอุดมบรมล้ำเลิศประเสริฐกว่านาครทั้งปวงเมื่อ น, นิพพานนั้นล่วงเสียแล้วซึ่งภยัย ประกอบไปด้วยสุขปรีดาโดยสภาวะแท้อชาตังอชรังอมระนังไม่รู้เกิดไม่รู้แก่ไม่รู้ตายประเสริฐเป็นนิจจสินปราศจากราคะมนทินมหาราชะขอถวายพระพ ร, พรนี่แหละเป็นมรานตลาดดอกไม้ของสมเด็จพระบรมศาสดายุติด้วยกระแสพระพุทธดีกาว่า บุคคลถือเอาบริกรรมอันเป็นหมูล่าเข้ามาร้านตลาดซื้อเอาอารมณ์อันเป็นเพียงดังดอกไม้ย่อมจะรื่นรมหอมชื่นเบิกบานใจด้วยวิมุตติธรรมอันประเสริฐดังนี้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชโอการว่าพันเตนาขาเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชา กาโลสิผู้เป็นเจ้าวิสัชนานี้สมควร น, นักหนาดังนี้แล้วตรัสถามต่อไปว่าคันทาปนังอันว่าร้านตลาดของหอมได้แก่สิ่งไรพระนาคเษนวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารร้านตลาดของหอมได้แก่ศีล ธรรมดาว่าสมณะพราหมณสาธุสัตบุรุษผู้ใดถือศีลมั่นศีล น, นั้นเทียนย่อมจะมีกลิ่นฟุ้งไปตลอดมนุษย์โลกและเทวโลกทั้งทิศน้อยทิดใหญ่ธรรมดาว่ากลิ่นดอกไม้ย่อมจะหอมไปได้แต่ตามลมกลิ่นศีล น, นิสัยหอมไปตามลมก็ได้ทวนลมก็ได้ศีล น, นั้นคือไตรสรารณคม และศีลห้าประการศีลแปดประการศีลสิบประการศีลที่นับเนื่องในอุเทศทั้งห้าและปาติโมคขสังบวรศีลศีลทั้งปวงนี้มหาราชขอถวายพระพรนี้แหละเป็นร้านตลาดของหอมของสมเด็จพระบรมศาสดายุติด้วยกระแสพระพุทธดีกา อันสมเด็จพระมหาการุณาผู้เป็นเทวดาอันประเสริฐกว่าเทวดาทั้งหลายตรัสพระสัทธรรมเทศนาไว้ว่าจันทนังตะครังอันว่าจันและกริณาอันหอมนักหนามนลิกาคือดอกไม้มีมะลิเป็นต้นและกลิ่นอุบลบุปผาที่ว่ากลิ่นหอมประเสริฐกว่าคันธชาตทั้งปวงนั้นจะมีกลิ่นหอมไปได้ก็แต่ตามลม จะหอมทวนลมและหอมไปทั่วทิศเหมือนกลิ่นศรล น, นี้หาไม่ได้กลิ่นศรลนิไสเทเวสุอุตตโม อ, อุดมกว่าทิพยสุขคนในเทวโลกล้ำเลิศนักหนาดังนี้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นประชามีพระราชองค์การตรั ช, ชมว่าผู้เป็นเจ้าวิสัชนานี้สมควรนักหนา แล้วตรัสถามว่าพันเตนาขเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาอันว่าร้านตลาดผลไม้ได้แก่สิ่งไรเล่าพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเสนจึงแก้ไขว่ามหาราชขอถวายพระพ ร, พรบพิษพระราชสมภารอันว่าผลไม้ที่สมเด็จพระบรมไตรโลกกนาศาสดาจาร์ตั้งร้านวางไว้เสยยถีถัง คือสิ่งใดโสตาปฏิพลังคือพระโสดาปฏิผลสกิทาคามิพลังคือพระสกิทาคามิผลอนาคามิพลังคือพระอนาคามิผลอรหัตตะพลังคือพระอรหัตตะผลสุญญาตะพลังคือสุญญาตะผลสมาปฏิพลังคือสมาปฏิผลอนิมิตตะละสมาปฏิ คืออนิมิตะพละสมาบัติอปนิหิตะพละสมาปติคืออปนิหิตะพละสมาบัติอนเนญชะพละสมาปติคืออเนญชะพละสมาบัติ อ, อ, นนตอุเปขาพละสมาปติคืออุเปขาพละสมาบัติจัดเป็นร้านตลาดผลไม้ผู้ใดปรารถนาเพิ่งกระทำการบุญชื่อว่าให้มูลค่าก็จะได้ซึ่งผลตามปรารถนา มหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารปานดังบุรุษผู้หนึ่งมีมะม่วงทรงผลอยู่เป็นนิรันต์บุรุษผู้นั้นก็ทรงตกแต่งหวังว่าจะขายแก่คนทั้งหลายอันมาซื้อเมื่อใครเอาราคาผลมะม่วงมาให้แล้วก็เลือกเอาได้โดยสมควรแก่ราคาสุดแต่จะรักแก่อ่อนเข้าใครประการใด ให้มูลค่าสมควรแล้วเลือกเอาได้ตามปรารถนาตกว่าผลมะม่วงนั้นจะรู้สิ้นสุดไปนั้นหาไม่ได้ด้วยว่ามีผลไปทั่วหน้าตาปียะถามีครุวนาชันใดอันว่าร้านตลาดผลไม้ที่สมเด็จพระบรมไตรโลกกนานพระราชทานไว้บุคคลผู้ใดให้มูลค่ากล่าวคือบำเพ็ญเพียรบริกรรมภาวนา ก็จะได้ผ ล, ลไม้มีโสดาปฏิผลเป็นต้นสมดังความปรารถนามีอุปมาเหมือนต้นมะม่วงอันมีผลเป็นนิชฉนั้นมหาราชขอถวายพระพร น, นี่แหละเป็นมร้านตลาดผลไม้ของสมเด็จพระบรมศาสดายุติด้วยกระแสรพระพุทธดีกาว่าชนทั้งหลายมาให้มูลค่ากล่าวคือบริกรรมภาวนาแล้ว ย่อมซื้อเอาได้ซึ่งอมะตะผลผู้ที่ซื้ออมะตะผลด้วยบริกรรมภาวนานั้นย่อมเป็นผู้ถึงซึ่งความสุขในโลกดังนี้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชาจึงมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชากัรโลสิพระผู้เป็นเจ้านี้ฉลาดนักหนา ซึ่งวิสัชนานี้ภยัยเราะนักดังนี้แล้วตรัสถามต่อไปว่าอะคาาปนังอันว่าร้านตลาดยาดับพิษงูนั้นได้แก่ทำสิ่งใดเล่าพระนาคเษนจรึงวิสัชนาว่ามหาราชะขอถวายพระพรบอบพิษพระราชสมภารร้านตลาดยาดับพิษงูของสมเด็จพระบรมครูนั้นคือทําอันดับกิเลส ที่พระองค์ตรัสพระสัทธรรมเทศนาไว้ได้แก่นวังฆ่าสัตถุศาสนาคือคำสั่งสอนมีองค้าวคือสุตตะเคยยะวยากรณะคาถาอุทานะอิติอุตกะชาตกะอภูตะธรรมะเวทละถ้าผู้ใดให้มูลค่ากล่าวคืออุสาหะสะดับฟังพระสัทธรรมเทศนา เล่าเรียนจำเริญภาวนาไปในนา ว, วังสศตุศาสนานั้นไม่ช้าก็จะดับพิษกิเลสประเวทเข้าสู่นิพพานจะพ้นจากทุกขกันดานคือชาติชรลาพยาธิและมรณะทุกข์และโสกะปริเทวะสื่ืนอาัยและความทุกโทมนัดและความคับแค้นอันเป็นพิษใหญ่สมด้วยพระพุทธดีกา ที่ตรัสพระส ธ, ธรรมเทศนาไว้ว่าพิกเวดูกะระภิกษุทั้งหลายสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะดับพิษกิเลสร้ายจะประเสริฐเสมอพระธรรมนั้นไม่มีท่านจงขนขวายดื่มซึ่งยาคือพระธรรมนั้นเถิดนี่แหละสมเด็จพระสัพพัญญูผู้ประเสริฐตรัสไว้เชนี้สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดี มีพระราชะองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนะข่าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาซึ่งวิสัชนานี้ควรอยู่ก็ร้านตลาดยารักษาโรคของสมเด็จพระบรมครูตั้งไว้ได้แก่ทำสิ่งไรเล่าพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเสนจึงวิสันาแก้ไขว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภาร สมเด็จพระบรมโลกรุตมาจารย์ทรงรักษาโรคคือราคาที่กิเลสแห่งมนุษย์นิกรอมเรตทั้งหลายให้เบาบางห่างหายด้วยธรรมทั้งหลายสิ่งใดอันว่าธรรมนั้นไซ่ใช่อื่นใช่ไกลจัตตารูสติปัทานาคือพระสติปัฐานสี่จัตตารูสมัฏปทานาคือพระสมัฏปทานสี่จัตตารูอิทธิปาทา คือพระอิทธิบาทสปัญจะอินทริยานิคืออินสียห้าปัญจะพลานิคือพละห้าสตะโภชังคาคือโภชงเจ็ดอัฏังคิโกมโคคืออัดฐังคิกรรกอันอุดม8ซสิริเป็นโพธิปักคิยธรรม37นี้เป็นยารักษาโรคแห่งสัตว์มนุษย์นิกรเทวดาทั้งหลายอันเป็นวิชาทิฐิเห็นผิด มิจฉาสังกัปปะดำริผิดมิจฉาวาจากราวาจาผิดมิจฉากัมมันตะประกอบการผิดมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีวิตผิดมิจฉาวายามะเพียรผิดมิจฉาสติตั้งสติผิดมิจฉาสมาธิตั้งสมาธิผิดเรียกว่าเป็นโรคคือปฏิบัติผิดนั้นให้ปฏิบัติเสียให้ชอบที่สมเด็จพระชินทร์สีเจ้า ยังเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้พ้นจากภัยอันตรายแล้วให้คลี่คลายเสียซึ่งบ่วงห่วงใหญ่ให้พ้นไปจากทุกจากกันดาลแล้วยังจิตให้โสมนัตการในโพธิปักขิยธรรมดังวิสัชนามานี้แหละเรียกว่าร้านตลาดยาอันวิเศษของสมเด็จพระศาสดายุติด้วยกระแสพระพุทธฎีกาที่ตรัสไว้ดังนี้ว่า พิกเวดูราณะภิกษุทั้งหลายเยเกจิโอสถาอันว่ายาวิเศษขนาดใดขนาดหนึ่งซึ่งจะประเสริฐดุจยาคือธรรมของตถาคตมีพระสติปัฏฐานเป็นต้นตลอดจนถึงพระอัดถังคิกามักนั้นหาไม่ได้เธอทั้งหลายจงดื่มกินซึ่งยาคือธรรมนั้นดังนี้สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดี มีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสนาะฆ่าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาโอสถาปนังอันวารานตลาดยาสุ ป, ปะสาริตังสมเด็จพระมหากรุณาตั้งไว้เปิดไว้เป็นอันดีแล้วแต่ว่ายาคือธรรมนี้บุคคลผู้ใดได้บริโภคแล้วอาจดับกิเลสให้สิ้นไปได้ด้วยประการใด พระนาเคเกษนวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารสุตะปุพังพระองค์จะไม่ได้ทรงเสวนาการฟังมาบ้างหรือว่าครั้งหนึ่งมนุษย์ทั้งหลายทูลถามสมเด็จพระพุทธเจ้าเป็นสามายิกะนิมิตคือคิดกันถามปัญหาพระองค์ด้วยความคิดของตนสมเด็จพระทศพลก็ทรงวิสัชนา อันสมเด็จพระมหากรุณาแล้วใครถามปัญหาพระองค์วิสัชนาได้สิน้นปัญหานี้บพิษ จ, จะไม่เคยได้ยินหรือพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนาะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชายานสุตะปุพังโยมได้เคยสวรนาการฟังมาแต่ก่อน พระนาคเกษนจรึงถวายพระพรว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเอเตจันเยชนเหล่านั้นและเทวดาทั้งหลายอื่นมาทูลถามปัญหาสมเด็จพระทศพลยานก็ทรงแก้ให้เข้าใจธรรมโมสถังปีวิตวานะมนุษย์นิกรเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นได้ดูดดื่มธรรมโมสดนั้นแล้วก็ดับกิเลส เข้าพระนิพพานดับเสียซึ่งชาติกันดาลชลากันดาลพญาธิกันดาลมรณะกันดาลสุกเกษมสารเป็นเอกันตะบรมสุขสมเด็จพระเจ้าเมลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชโอการตรัสว่ากันโลสิอันว่าร้านตลาดทั้งหลายผู้เป็นเจ้ากล่าวปริยายนี้สมควรอยู่อมตะปนัง อันว่าร้านตลาดน้ําอมริตกินไม่รู้ตายนั้นได้แก่ทําสิ่งไรเล่าพระเจ้าค่ะพระน่าเกณ จ, จึงถวายวิสัชนาว่ามหาราชขอถวายพระพรบวัวพิษพระราชสมภารอมตตาปนังอันว่าร้านตลาดน้ําอมริตนั้นได้แก่กายคตาสติกายคตาสตินี้ถ้าบุคคลผู้ใดจำเริญภาวนาแล้ว ได้ชื่อว่าบริโภคซึ่งรถพระนิพพานจะดับเสียซึ่งชาติชราพยาธิมรณะโศกะปริเทวะทุกขโ ท, โทมนัสสุปายาต ท, ทั้งหลายแม้ยังจะเวียนว่าอยู่ในวตัตะสงสารยังไม่ถึงพระนิพพานก่อนบุคคลผู้นั้นบ่ห่อนจะได้ไปสู่จตุราบายม่แต่ว่าจะไปเกิดในสุคติอันดีสมด้วยกระแสะพระพุทธฎีกาที่ตรัสพระสัทธรรมเทศนาไว้ว่า พิฆเวดูกระะิกษุทั้งหลายมูสัตทั้งหลายเหล่าใดได้ดื่มกินกายยะคตาสติมูสัตเหล่านั้นได้ชื่อว่าดื่มกินซึ่งน้ำอมฤตไม่รู้ตายละลุ่งเสด้ซึ่งทุกขติวินิบาตและนรกดีรชานทั้งปวงดังนี้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชามีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสณนะ แต่พระนาเคเษนผู้ปรีชาซึ่งวิสัชนานี้สมควรแล้วก็ร้านตลาดแก้วของสมเด็จพระบรมครูนั้นได้แกท่ทาสิ่งไรเล่าพระผู้เป็นเจ้าพระนาเคเษนจึงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชขอถวายพระพรบบพิษพระราชสมภารอันว่าร้านตลาดแก้วนั้นได้แก่ศีลรัตนะสมาธิรัตนะ ปัญญารัตนะวิมุติรัตนะวิมุติยาณทัทสนรัตนะปฏิสัมพิธารัตนะมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอันว่าศีล ร, รัตนนั้นสมเด็จพระสันเพชรพุทธเจ้ามีพระพุทธดีกาโปรดประทานไว้ว่าได้แก่พระปาติโมฆะสังวรศีลอินทริยะสังวรศีลอาชีวะปาริสุทธิศีล ปั จ, จะยะสันนิสิตศีลจุลศีลมัชชิมะศีลมหาศีลมาคาัคคศีลภละศีลมหาราชคขอถวายพระพรบพิธพระราชสมภารผู้ประเสริฐเทวะมนุษษาเทวดามนุษย์ทั้งหลายในมนุษยะโลกกับเทวโลกพรหมโลกและสมณพราหมนาจารย์ทั้งหลายย่อมสรรเสริญซึ่งบุคคลอันประดับแก้ว กล่าวแล้วคือศีล ร, รัตนามหาราชาขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารพระภิกษุทั้งหลายทรงไว้ซึ่งศีลมรณา น, นั้นรุ่งเรืองงามไปทั่วทิศเหนือทิศใต้ทิศ ต, ตะวันตกตะวันออกและทิศใหญ่น้อยทั้งหลายทิศเบื้องต่ําเบื้องบนตลอดถึงภวคพระพรอุดมกว่าแก้วทั้งหลายในไตรโลกนี้สมด้วยพระพุทธฎีกาที่สมเด็จพระเทวาติเทวะ ตรัสพระสัทธรรมเทศนาว่าความสงสัยได้มีแกเราว่าศีลประเสริฐกว่าหรือสุตะประเสริฐกว่าดังนี้ศีลนั่นแหละประเสริฐกว่าสุตะความสงสัยไม่ได้มีแกเราแล้วศีลเห็นป่านี้มีอยู่ในร้านตลาดของเราท่านทั้งหลายจงซื้อศีลลัตนะด้วยการปฏิบัต กล่าวคืออุสาหารักษาศีลให้มั่นแล้วจงเอาศีลรัตนนั้นไปประดับเถิดมหาราชข้อถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอันว่าสมาธิรัตนนั้นได้แก่ธรรมสิ่งไรอันว่าสมาธิรัตนนั้นได้แก่สวิตกะสวิจารสมาธิอวิตกะอวิจารสมาธิสุญญตสมาธิอนิมิตสมาธิ อปปะนิหิตะสมาธิโยคาวจรภิกษุรูปใดทรงไว้ซึ่งสมาธิรัตนะดังนี้แล้วก็จะห้ามเสียและแพ้เสียซึ่งกามวิตกพยาปาทวิตกวิหิงสาวิตกและมานะอุทจจะทิฏฐิวิจิกิจชาวิตกและวิตกด้วยกิเลส ท, ทั้งหลายอันมีประเภทต่างๆมิให้เป็นมนทินอยู่เพราะสมาธิเป็นธรรมบริสุทธ และทำจิตให้แน่วแน่เปรียบดุดใบบัวหลวงอันมิได้มีหยาดน้ำซึมซาบได้เหตุว่าใบบัวนั้นบริสุทธิ์ปราศจากมลทินโทษเป็นธรรมดามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารสมาธิรัตนะเห็นบา น, นี้แหละเป็นร้านตลาดรัตนของสมเด็จพระบรมศาสดายุติ ด, ด้วยกระแสพระพุทธฎีกาที่ตรัสไว้ว่า สมาธิรัตนนี้มิให้วิตกอันร้ายกาจเกิดได้และมิให้สัดทอดไปซึ่งจิตเอตังตุมเหท่านทั้งหลายจงประดับซึ่งแก้วอันกล่าวแล้วคือสมาธิรัตนนั้นมหาราชะขอถวายพระพรบวพิษพระราชสมภารอันว่าปัญญารัตน์ได้แก่ทำสิ่งไรปัญญารัตน์นั้น ได้แก่พระอริยสาวกผู้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นโทษสิ่งนี้เป็นคุณสิ่งนี้ควรเสพสิ่งนี้ไม่ควรเสพสิ่งนี้เลวสิ่งนี้ประนีตสิ่งนี้ดำสิ่งนี้ขาวสิ่งนี้ทั้งดำทั้งขาวยะถาภูตังปชานาติย่อมรู้โดยแท้ว่าสิ่งนี้เป็นทุกข์สิ่งนี้เป็นทุกขะสมุทัยสิ่งนี้ เป็นทุกขนิโรธสิ่งนี้เป็นทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารปัญญารัตนเห็นปานนี้แหละเป็นร้านตลาดปัญญารัตนของสมเด็จพระบรมศาสดายุติด้วยกระแสพระพุทธฎีกาที่ตรัสไว้ว่าบุคคลประดับปัญญารัตนนี้แล้ว ย่อมเวียนว่ายู่ในภพอีกไม่นานก็พลันที่จะบรรลุอมะตะมหานิพพานไม่ยินดีในภพต่อไปคือไม่ปรารถนาจะเกิดอีกมหาราชขอถวายพระพ ร, พรบพิษพระราชสมภารอันว่าวิมุติรัตนนั้นได้แก่ทำสิ่งไรอันว่าวิมุติรัตนนั้นได้แก่พระอระหันตโยคาวาจอนเจ้า ที่สำเร็จพระอรหันต์นั้นได้ชื่อว่าประดับเึ่งวิมุติรัตนะดุษบุรุษผู้หนึ่งทรงอาภรประดับมุกดาและแก้วมะนีและแก้วประพานและฉลมทาด้วยเครื่องทาคือกฤิศนาชลูดขอนดอกกระเจะจันอันมีกลิ่นหอมวิเศษและประดับด้วยดอกไม้ทั้งหลายซึ่งมีคันทชาตอันหอมคือพิกุลบุญนาคสายหยุดพุทธชาต เบนจมาต์มาลิซอนมาลิลากั น, นิกาจำปากาหลงมหาหงชงโคทั้งสิ้นและดอกอุบลอันมีกลิ่นหอมไปได้เจ็ดวันและดอกไม้อันมีกลิ่นหอมไปได้กึ่งเดือนนั้นก็รุ่งเรืองเป็นทองงามแสงอารามครอบงำเสียซึ่งมาลาพรและคันธาพรทั้งหลายนั้นยะถามีครุวนาฉันใดมหาราชะ ขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอันว่าพระขีนาสวัเจ้าอารหัตตังปัตโตสำเร็จพระอรหัตแล้วได้ชื่อว่าประดับวิมุติรัตนะเป็นแก้วอันมีรัศมีอารามก็ ง, งามเป็นสง่ากว่าปุถุชนภิกษุทั้งหลายอุปมาเหมือนบุรุษอันแต่งตัวอย่างยิ่งนั้นเพราะเหตุไรเพราะเครื่องประดับคือวิมุตินี้ เป็นเครื่องประดับอันเลืกว่าวิมุตต์ทั้งหลายมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารวิมุติรัตนะเห็นปานนี้แหละเป็นร้านตลาดวิมุติรัตนของสมเด็จพระบรมศาสดายุติด้วยกระแสรพระพุทธดีกาที่ว่าสมเด็จพระบรมกษัตริย์ทรงเครื่องประดับเป็นวิการแห่งแก้วมณีแล้วย่อมเป็นที่เล็งแลของมหาชนชั้นใด พระอรยะสาวกที่ประดับด้วยวิมุติรัตนนี้ก็เป็นที่เล็งแลของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายฉันนั้นมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอันว่าร้านตลาดแก้วอันกล่าวแล้วคือวิมุตติยานทัศนารัตนนั้นได้แก่ทาสิ่งอันใดปัจจเวคขณะยานังมหาราชะขอถวายพระพร อันว่าวิมุตติญาณทัศนารัตนานั้นได้แก่ปัจจเวขณะญาณคือปัญญาที่พระอริยสาวกยังเห็นซึ่งมรรคผลและนิพพานกับทั้งกิเลส ท, ที่ละได้แล้วและกิเลส ท, ที่เหลืออยู่และญาณที่เป็นเหตุให้พระอริยสาวกตรัสรู้อริยสัจสมด้วยกระแสพระพุทธฎีกาที่พระบรมศาสดาตรัสไว้ว่าพระภิกษุเหล่าพุทธชินโนรส พึงพยายามเพียนไปเพื่อได้ซึ่งรัตนะคือสัจจะยานกิจยานกตยานดังนี้มหาราชาขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอันว่าปฏิสัมพิทารัตนะนั้นได้แก่ธทรำรสิ่งไรปฏิสัมพิทารัตนะนั้นได้แก่ปฏิสัมพิทาสี่คืออัตตปฏิสัมพิทาหนึง่งธรรมะปฏิสัมพิทาหนึง่งนิรุตติปฏิสัมพิทาหนึง่ง ปฏิภาณะปฏิสัมพิธาหนึ่งพระภิกษุซึ่งได้พระปฏิสัมพิธาสี่นั้นแม้ว่าจะเข้าไปสู่ถ้ากลางบริสัทธ์สคือขัตติยะบริสัทธและพรามณ์บริสัทธและคฤหะบดีบริสัทธและสมณะบริสัทธก็ดีวิสาระโธจะองค์อาจแกล้วกล้ า, ลาอมังกุภูโตมิได้นั่งก้มหน้าอยู่อนุตตราโสมิได้มีจิตสะดุง้ง อาชัมพิโตมิได้ตกใจกลัวอากรรมปิโตมิได้หวาดหวั่นกลัวใครอาปัฏฐานโนมิได้นึกหาที่ตั้งอปริภาสันโตมิได้นึกท่องสังวัทยายวิคตะโลมหังโสมีขนพองอันปราศจากแล้วหาสยันโตมีใจชื่นวิสัทโถเป็นผู้มีท่าทางสนิทสนมมีสง่า ในการเมื่อจะเข้าไปสู่ถ้ำกลางบริษัททั้งสี่มหาราชะขอถวายพระพรธรรมดาว่าบุรุษอันกแกลว้วกล้าในการสงครามก็ไม่ได้เข็ดขามคล้ามกลัวแต่งตัวผูกสอดเข้าซึ่งอาวุธห้าประการแล้วบุรุษผู้นั้นนึกห้าวหาญในใจว่าถ้าแม้หมูฆ่าศึกมาใกล้อุสุนาปาตายิสามิอัตมาจะยิงให้ล้มลง แม้ว่ายิงผิดไปจะตรงเข้ามาอัตมาจะพุ่งด้วยหอกน้อยจะโบยด้วยกริบจะแทงด้วยหอกใหญ่บุรุษผู้นั้นคิดในใจชะนี้ก็ไม่มีความกลัวจึงแต่งตัวเข้าสู้สงครามความนี้ก็เหมือนพระภิกษุอันได้พระปฏิสัมพิทาทั้งสี่จะเข้าสู่บริษัทสีก็องค์อาจไม่สะดุ้งตกใจนั้นแท้จริง อนว่าพระภิกษุได้พระปฏิสัมพิทาสี่นึกในใจว่าถ้าบริษัท์ถามอัตมาโดยอัดก็จะแก้โดยอัดถามอัตมาโดยปัจใจก็จะแก้โดยปัจใจถามอัตมาโดยเหตุก็จะแก้โดยเหตุถามอัตมาโดยในก็จะแก้โดยในจะกระทําให้สิ้นสงสัยในปัญหาที่ถามนั้นๆประการหนึ่งโยโกโจิปุกคโล อันว่าบุคคลทั้งปวงแม้จะถามซึ่งปัญหาในธรรมะปฏิสัมพิทาถ้าถามอัตมาโดยธรรมอัตมาจะแก้โดยธรรมถามโดยอมตะธรรมจะแก้โดยอมตะธรรมถามโดยอสังขตะธรรมจะแก้โดยอสังขตะธรรมถามโดยพระนิพพานธรรมจะแก้โดยพระนิพพานธรรมถามโดยสุญญาธรรม จะแก้โดยสุญญตธรรมถามโดยอนิมิตตธรรมจะแก้โดยอนิมิตตาธรรมถามโดยอปปนิหิตธรรมจะแก้โดยอปปนิหิตธรรมถามโดยอเนรชธรรมจะแก้โดยอเนรชธรรมถามโดยอุเบกขาธรรมจะแก้โดยอุเบกขาธรรมถามโดยธรมสิ่งไรอตมาจะแก้ให้สิ้นสงสัยโดยธรรมนั้นๆประการหนึ่ง บุคคลผู้ใดจะถามปัญหาโดยนิรุตติปฏิสัมพิทาอัตมาจะวิสันาโดยนิรุตติปฏิสัมพิทาถามโดยบทจะแก้โดยบทถามโดยอนุบทจะแก้โดยอนุบทถามโดยอักขระจะแก้โดยอักขระถามโดยสนธิจะแก้โดยสนธิถามโดยพยัญชนะจะแก้โดยพยัญชนะถามโดยอนุพยัญชนะ จะแก้โดยอนุพยัญชนะถามโดยวันนะจะแก้โดยวันนะถามโดยสระจะแก้โดยสระถามโดยบัญญัติจะแก้โดยบัญญัติถามโดยโวหารจะแก้โดยโวหารอัตมาจะแก้ให้สิ้นสงสัยประการหนึ่งโยโกโจิบุคคลทั้งปวงจกถามปัญหาในปฏิภาณปฏิสัมพิทา คือถามโดยปฏิพานจะแก้โดยปฏิพานถามโดยอุปมาจะแก้โดยอุปมาถามโดยรถจะแก้โดยรถถามโดยลักษณะจะแก้โดยลักษณะอัตมาจะเปลื้องเสียให้สิ้นวิมติสงสัยในการนั้นมหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารปฏิสัมพิธารัตนะดังกล่าวมานี้ เป็นมรานตลาดปฏิสัมพิธารัตนะของสมเด็จพระบรมศาสดายุติด้วยกระแสพระพุทธดีกาที่ประธานพระสัทธรรมเทศนาไว้ว่าภิกษุซื้อปฏิสัมพิธาทั้งหลายได้แล้วพึงถูกต้องด้วยยานกล่าวคือเชี่ยวชาญด้วยปัญญาไม่ต้องเป็นผู้หวาดเสียวครั่นคร้ามงามไพยโรธล่วงเสียซึ่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดังนี้ มหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอันมรานตลาดแก้วคือโพชงนั้นเป็นประการใดมหาราชะขอถวายพระพรพระโยคาวจรผู้ใดประดับไปด้วยโพชงคารัตนะเจ็ดประการคือสติสัมโพชงครัตนะธรรมวิจยะสัมโพชงครัตนาะวิริยะสัมโพชงครัตนาะ ปิติสัมโพชังคารตนะปัสสธิสัมโพชังครรตนะสมาธิสัมโพชังคารตนะอุเบขาสัมโพชังคารตนะพระโยคาวจร น, นั้นก็จะยังโอภาสให้เกิดความงามรุ่งโรดโชตนาการไปครอบงำเสียซึ่งมนุษยโลกและเทวโลกมหาราชะขอถวายพระพร น, นี่แหละสมเด็จพระบรมศาสดา มีพระพุทธดีกาตรัสว่าร้านตลาดคือสัมโพธชังครัตนะยุติด้วยพระพุทธดีกาว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมเล็งแลดูผู้ที่ประดับด้วยโพชชังครัตนะแม้ท่านทั้งหลายก็จงซื้อโพชชังครัตนะเหล่านั้นด้วยการบริกรรมจเจริญภาวนาเอามาประดับดังนี้ ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชามีพระราชโอการว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาสัพพาปนังอันว่าร้านตลาดของเบ็ดเสร็จทั้งสิน้นของสมเด็จพระมุนินสัพพันยูนั้นได้แก่ทาสิ่งใดพระนาคเสนจิงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชาขอถวายพระพ ร, พรบพิษพระราชาสมภาร อันว่าร้านตลาดของเบ็ดเสร็จได้แก่นวังคสัตว์ศศาสนาคือคำสั่งสอนของพระาศาสดามีองค์เก้าประการและพระสารีริกาธาตุบริโภคเจดีสังครตัตนะในร้านตลาดเหล่านี้ย่อมมีวางขายเกลื่อนกลาดคือชาติสมบัติก็มีโภคะสมบัติก็มีและอายุสมบัติก็มีอารมคยะสมบัต วันณะสมบัติปัญญาสมบัติมนุสิกะสมบัติทิพยสมบัตินิพานะสมบัติสารพัดจะมีขายบุคคลทั้งหลายปรารถนาแล้วพึงให้มูลค่ากล่าวคือตั้งใจปฏิบัติตามนาวังค่าสัตถุศาสนาเป็นต้นนั้นก็จะได้สมความปรารถนามีอุปมาเหมือนของในตลาดธรรมดา คือถั่ว ง, งาสาคูและข้าวสารทั้งหลายเขาย่อมซื้อกันได้ด้วยให้ราคาสมสมกันยะถามีครุวนาฉันใดในร้านตลาดของเบ็ดเสร็จแห่งสมเด็จพระบรมศาสดานั้นบุคคลทั้งหลายย่อมจะซื้อเอาสมบั ต, ติต่างๆได้ด้วยสมาทานศีลและรักษาอุโบสถหรือแม้ด้วยการกระทำกุศลกรรมเพียงเล็กน้อย มีอุปมายฉันนั้นนี่แหละเป็นร้านตลาดของเบ็ดเสร็จแห่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ายุติด้วยกระแสพระพุทธดีกาที่ตรัสพระสัท ธ, ธรรมเทศนาไว้ว่าในร้านตลาดของเบ็ดเสร็จนั้นมีทุกสิ่งสรรค์คือมีทั้งความมีอายุยืนและความเป็นผู้ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนและความเป็นผู้มีสีกายผ่องใส และความเกิดในสวรรค์และเกิดในตระกูลสูงและนิพพานอมตะธรรมชนทั้งปวงมีความปรารถนาย่อมซื้อหาได้ด้วยมูลค่าคือศีลทานภาวนาอุตสาหะจำเริญไปก็จะได้สมตามปรารถนาตุกะระภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงซื้อด้วยมูลค่าคือศรัทธาแล้วจงปฏิบัติให้ภัยบูนเถิด ก็จะได้บรรลุโลกุตรธรรมสมดังปรารถนา